ถามมาจากบ้านนายก็บอกแค่ใช่ไหมเออแต่เวนเวนมันมาตามถึงพวกลูกหลานใช่ไหมเวนเวนตามถึงพวกลูกหลูกลูกหลานเราหามหลวงปู่มั่นไม่หามเพื่เฉยตั้งตาไหลพ่อเดี๋ยวนี้ลูกหลานเนี่ยหามเราขึ้นภูนั่นแหะเวนนั่นแหละล้วเอามือเราเอามือกอบอุจจระหลวงปู่มั่นในมือ บอกจะเราหรวอผมว่าล่ะอันนี้สองอันนั้นตามมาเราคนเดียวมีห้องน้ำหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าับท็ออยู่ข้างบนมีหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเนี้ยหนึ่งสอง สาสี่ดูข้างล่างอันหนึ่งเราคนเดียวอันนี้สองอันนี้ไหนนี่ <c oughs> ทีนี่อันนี้สองทำเก้าอี้ให้ให้ท่านโคนผมอันนี้สองท่านเก้าอ้ทำเก้าอี้ให้ท่านโคนผมลูกภูก็หามาคงจะมีผู้ไปฟ้องสองมองนั้นมองนี่มองนั้นมองนี่มองนั้นมองนี้เออไม่ใหญ่โต เขว่าใหญ่โตไม่ใหญ่โ ต, โตเลยไม่ดุ <c oughs> ทีนี้พอไปเห็นว่าพอไปเห็ น, ว, นว่าเราก็เรีกว่าเออจะดุกมากแล้วทีนี้เออใครมาประชุมกันอยู่ที่นี่แล้วพวกผูแ้แทนมาอยู่นี่หรือเก่งก็ว่าจะว่าอย่างนั้นทีนี้ก็ไม่ว่าฮะเราพูดก่อนเออว่าอันนี้ก็กระผมขอโอกาสทับท่านพระอาจารย์ทําที่โคลนผมให้หลวงปู่มาก คงจะเป็นอนิสงส์อ น, นั้นกระมังแต่อเนสง์ของพระพุทธพระรรมพระสงฆ์มันมีอยู่แล้วแต่ของเจ้ากับผมมันมีที่เพิ่มด้วยมีที่บวกด้วยมดไปหมดปัญหาไปนึกว่าเม่เนี่มันทำอะไรมากแค่ผู้แทนมาประชุมอยู่ที่นี่เออแก่าท่านจะดุอย่างนั้นเราพูดรักก่อนสิว่าทำไมดุดอก เพรเราวัดเดียวก็มีเพียงเท่านี้ชาตินี่มีวัดเดียวเท่านี้เพราะออกจากูราุรอานการมาก็มีวัดเดียวเท่านี้ท่านเหล่านั้นตั้งห้าวัดหกวัด ต, ตั้งสิบวัดเดียวก็มีหลวง ป, ปู่ศรีตั้ง100ร้อ<ว>ยวัดเราวัดเดียวจะมาดูเราแล้วก็มายอมละ ถูกแ้าพระอริะกลายเป็นพระธาตุถ้าอย่างนั้นถ้าไม่มีที่แปลกมันก็ไม่มีที่อัศจรรย์เพราะกิเลสท่านไม่มีก็เป็นอภินิหารในตัวกลายเป็นพระธาตุแต่ว่าถึงจะเป็นพระธาตุก็ยกังพระธาตุดินเท่าเก่านั่นแหละเพราะเป็นของแข็งพวกเราก็เป็นธาตุเหมือนกันแต่ว่าเป็นธาตุดินหยบยาบไม่เหมือนธาตุพระหรัน พระอนาคามีพระทาตุขาวกระดูกขาวพระโสดาบันก็ขาวพระรักคาคายมก็ขาวพระอนาคามียังขาวไปอีกพระหันเป็นธาตุเลยแต่เราไม่ค่อยสนใจอันนี้สนใจในมนุธาตถ้ามนุธาไม่มีกิเลสมันก็พ้นไปเท่านั้นเตรียมตัวตายแล้วทุกวันเนี่ยเตรียมตัวตายพ่อเขลมเข้าลมออก เป็นแต่สักว่าลูกเป็นแต่สักว่าเห็นพ่อขึอ้นลมเข้าลมออกตายค่ะอันนั้นหลับไปเกิดที่ไหนไม่ทราบก็บมันละ <Web wreck Isaiah eden> เป็นตสักว่าูกเป็นแต่สว่าเห็นพ่อขึ้นลมเข้าลมออกอ่ะเป็นแต่สักว่าลูกเป็นแตสักว่าเห็นเพราะทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะมันมีแต่สังขารมีแต่กองนามลูกมีแต่กองทุกข์ก็เป็นแตสักว่าลูกเป็นแต่สักว่าเห็ น, น, น, น เ, นเพเนเนเนระบรมศราล า, าจงยืนยันว่า เรารู้ตามจริงของผู้รู้เลยแต่เราไม่ติดอยู่ในผูรู้เรารู้อดีตตามเจริงของอดีตเรารู้อนาคตตามจริงของอนาคตเรารู้ปัจจุบันตามเปจริงของปัจจุบันแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสามเพราะเราไม่มีอุปทานใดๆทั้งปวงเรารู้สังขารตามเปจริงของสังขารเรารู้พระนิพพานตามจริงของพระนิพพานแต่เราไม่ติดอยู่ในพระนิพพานและเราไม่ติดอยู่ในสังขารถ้าเราติดอยู่ในสังขารก็เรียกว่าเราเป็รู้สังขารถ้าเราติดอยู่ในพระนิพพานก็เรียกว่า เราไม่รู้พณะนิพพานเราไม่สําคัญตัวว่าเราเป็นพระนพพานเราไม่สําคัญเราพระนพพานเป็นเราเราไม่สําคัญตัวว่าเราเป็นสังขารเราไม่สําคัญเราสังขารเป็นตัวเป็นเราเราก็ไม่สําคัญว่าสิ่งที่ศูนย์ศูนย์เป็นเราเราก็ไม่สําคัญว่าเราเป็นสิ่งที่ศูนย์ศูนย์เมื่อเราไม่สําคัญในสิ่งใดๆทั้งปวงแล้วอวิยชาติหาอุปาทานของเราก็แตกก็จือวิญญาณปฏิสนธิของเราก็ไม่มี พวกที่ภาวนาไปเห็นแสงเดือนแสงดาวอันนั้นอันนี้เออถ้าตายคานัานก็ไปโภมาโลกท่านั้นแหะไม่พ้นทุกดอกแต่เราเห็นแสงพระอาทิตย์ทำไมมันไม่พ้นจากกิเรตเนี่ยแสงพระอาทิตย์มันยังรุ่งโรจนกว่า น, นี่เ <c oughs> นื้อเกียรมันเป็นเรื่องหนึ่งถ้าภาวนาดีก็ต้องไปเห็นนรกสิบางท่านโอ้ได้ใจโรกท่านมันเป็นนรกแล้ว สังขาปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งมันก็เป็นนรกแนวนะ่ะไม่ยินดีในชาติทั้งปวงไม่ยินดีในภพทั้งปวงเพราะมันเป็นทุกชาติเปทุกขาคําเดียวกระเถือนมัดตาโลกทานไม่ลงธรรมะเลย เนื่อนำปีทุกขังก็ไม่ลงธรรมะความตายก็ไม่ลงธรรมะความแก่ก็ไม่ลงธรรมะความเก็บก็ไม่ลงธรรมะความตายก็ไม่ลงธรรมะธรรมะสักคนละกายของเราเมันเทศอยู่ไม่มีกลาวัน <Right> กงคืนแต่เราจะฟังหรือไม่ถ้าเราไม่ฟังเราก็เป็นคนหูหนวกเลยนอนหลับข่าภาวนาเรียกว่านอนเป็นขึ้นขี่รถไม่ภาวนาเรียกว่าขี่รถไม่เป็นเรียกว่าไปโดยสารรถไม่เป็น เดินไม่ภาวนาเรียกว่าเดินไม่เป็นนั่งไม่ภาวนาเรียกว่านั่งไม่เป็นต้องมีอารมณ์อะไรอันหนึ่งกับธรรมะอยู่ผู้ถือพระพุทธศาสนาไม่เป็นอารมณ์อันหนึ่งก็ต้องมีอารมณ์อันหนึ่งไปทางกุศลผู้ที่ไม่ถือพระพุทธศาสนาผู้ที่ถือไม่มีบาปไม่บุญก็มีแต่อารมณ์บาปเท่านั้นบาปบวกบาปทวีขึ้นยิ่งมีอายุยืนเท่เาไรก็ยิ่งบวกบาปบาปเข้าเท่านั้น ส่วนอายุยืนมันมาจากประตูไหนมันมาจากประตูแต่ชาติก่อนถ้าชาตินี้ไม่ทําแล้วมันเกาะไม่เพิ่มขึ้นอารมณ์ของเธอผู้ถือพระพุทธศาสน า, ศามันเป็นอารมณไ์ไปในทางบุญเป็นส่วนมากไม่อันหนึ่งก็อันหนึ่งอารมณ์ของพระสวัดาวันเป็นอารมณ์ที่พิษประตูเปรตอวิตตวิสัยอสุรกายและสัตว์นรกแล้วอารมณ์ของพระอนาคาเมี สักทาคาไม่ก็เบาไปก่อนนั้นอารมณ์ของภาวนาคา่มีอารมณ์การมั่ววิตกไม่มีพยาบาทวิตกไม่มีวิหิงสาวิตกไม่มีมีแต่ความสำคัญตัวบ้างเล็กน้อยอารมณ์ของพระอรหันต์ไม่มีเลยมีก็เท่ากับไม่มีเพราะท่านไม่ยึดถือเมื่อท่านบอกว่าผมภาวนาไม่ข้ามเวทนาอะไอย่างนั้นเออ ถ้าถือว่าเวทนาเป็นตนตนเวทนามันก็ข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าต้องการเวทนาสุขสุขป ด, ดีทุกข์ปฎิอุเบกขา็ดีเกิดขึ้นมาแล้วก็แปลปวนได้แตกสลายดุขังว่าอะตุขามานสุขข้างว่าเกิดขึ้นมาแล้วก็แปลปวนได้แตกสลายใครเป็นผู้พูดตายแลส้สังขารว่อจีสังขารจิตตะสังขารเป็นผู้พูดพระนิพพานไม่ได้มาพูดด้วยเมื่ได้มาฟังด้วย ข้อหมดเรื่องที่จะสมมุติท่านแล้วพระ น, นิพนานพระเนรพนไม่ใช่ผู้รู้หรือวผู้รู้ไปจนไม่มีที่หมายเราพิจารณาทําไมพิจารณาอนิจจังทุกขังอนิจตาจะเอาไปพระนรพนด้วยหรือไม่เอาไปดอกพิจารณาให้เบื่อหน่ยายคลายเมาความหลงของตนอิตตังหาความหลงของตนมันหลงอะไรหลงของไม่เที่ยงมาเป็นของเที่ยงหลงของเป็นทุกข์ว่าเป็นของสุข หลงของไม่สวยไม่งามว่าเป็นของสวยของงามหลงของที่ไม่แค่ตัวตนม่าเป็นของตัวตนถ้ารู้ตามจริงเหล่าสิงเหล่านี้แล้วพิจารณาให้ชัดแล้วมันก็ข้ามทะเลลงไปเท่านั้นไม่มีปัญหาอะไรมากหรอกที่มันมีปัญหามากเพรา ะ, ราะมันสงสัยถ้ามันไม่สงสัยมันก็ไม่มีปัญหามากเราดูหนังสือกูวาอาจารย์ที่ท่านแต่งมา ไม่ใช่เราสงสัยปฏิปทาของเราเรานึกว่าองค์ท่านจะมีโวหารปฏิพานขนาดไหนท่านจะแตกฉานในธรรมวินัยขนาดไหนเท่านั้นไม่ได้หมายว่าจะสงสัยในข้อปฏิบัติของตนแม้พระบรมสารีราองค์ท่านเทศในคัมภีร์นั่นคัมภีร์นี้ก็ดีก็ไม่ได้สงสัยคัมภีร์นั่นท่านเทศควักกว้างขวางอะไรบ้าท่านเทศย่ออะไรบ้าเราพิจารณาเท่านั้น ไม่ได้สงสัยว่าจะปฏิบัติอย่างไรไม่ได้สงสัยอย่างนั้นครูอาจารย์และหมู่เพื่อนทำงานกันท่านแตกฉานนนธรรมะขนาดไหนเท่านั่งไม่ได้สงสัยเลยผู้พาวนายกหนอพองหนอก็ดีคือมันก็ถูกหมดน่ะใครเป็นผู้ว่ายุคหนอพองหนอก็ผูกวิวจีสังขาร น, นั่นเองเปนผู้ว่านกิจตาสังขารนั่นเองแต่พราะไม่ไ้ผ่านมาได้มายุคหนอพองหนอด้วยน่ก ปัญหาใ น, นักทาเอกผู้ภาวนาพุทโธพุทโธนั้นเป็นสมถะหรือปรัชนาเล่าถ้าจะตอบให้ถูกสนามหลวงของเขาเขาบอกว่าเป็นสมถะเพราะบริกรรมภาวนาภาวนาในบริกรรมอุปจาระภาวนาภาวนาในอุปจาระสมาธิตอบอย่างนั้นจึงถูกถ้าให้เราตอบทุกวันเราไม่ตอบอย่างนั้น ผู้ภาวนาพุทโธพุทโธนั้นจะว่าเขาเป็นสมถะหรือวิปัสสนานั้นก็ยืนยันไม่ได้มันขึ้นอยู่กับบารามีของท่านผู้นั้นแก่กล้ามาแล้วเช่นบริกรรมพุทโธพุทโธอย่างนี้คำวารีกรรมพุทโธพุทโธเห็นความเกิดความดับอยู่ชัดกรองสู่อันนี้จังทุกคั้งอนัตตาแต่คุณพุทโธนั้นไม่ได้เกิดไม่ได้ดับไปไหนเป็นอนัตตาคุณที่ไม่เกิดไม่ดับไปไหนเมื่อเขาดูตามเป็นจริง่งใหญ่นี่พร้อมกันในคณะเดียวอย่างนี้จะว่าเป็นสมถะมันก็ไม่ถูกยกวิทาหอน ผู้ภาวนาละโชนะนางและสังหานติมันก็น่าจะเป็นเมิกรรมว่าภาวนาทำไมจึงแตกขาฉานในปฏิสัมพิทาสีด้วยมันก็เพราะปัญญาของท่านสร้างบารเมมาไม่เหมือนกันเราจะตอบอย่างนั้นมันเป็นรอบใหม่หรือรอบเก่าที่เราพูดกันอย่างนี้ก็รอบเก่านั่นเอง <c oughs> มันก็ไปแล้วเนี่ยมันเือทสใอะไร แลรวาสทปฏิบัติทาแล้วไปนอนาคารคนที่ปรุนอนาคา ม, มีแล้วรับไปสุภ ร, าารัมนีแะหันาหาจะต้องปวดแใหนึ่งวัน้นั้นจะตายเนี่ยนะผมก็สงสัยว่าเป็นจริงหรือเปล่าแล้ว เ, าาเป็นจริงเพราะเหตุใดเพราะพระรหัไม่เป็นฐานะของพระรหัที่จะไปอยู่ครองคารวาไม่เหมือนะอนาคารมีไม่สมฐานะ ต้องบวชเป็นสามเณรหรือบวชเป็นพิชซูซะถ้าอย่างนั้นจึงจะไปสุดอายุไขถ้าไม่บวชก็ต้องสิ้นลมปานเหมือนพระพาหยะนั่นเองพระพาหยะก็เป็นพระละหันในวันนั้นท่านก็สําเร็จพระละหันในวันนั้นมีหลายองค์สถาน ะ, าะของพระละหันไม่เป็นหน้าที่จะไปอยู่ในฆราวาสไม่เหมือนพระอนาคามีมันไม่สมฐานะไม่เหมือนพระอนาคามีไม่เหมือนพระสักทาคามีไม่เหมือนพระสโสดาวัน ไม่ต้องสงสัยหรอกอันนี้มีปัญหาอะรเปลหรอเปลาใช่ทายอ่านที่ใต้ศาานี่คอกิง่าคือไรอสักทางเกิดกอก่อชาสังขารเออถูกสังขารที่มีอุปท า, านยึดถือพาให้ก่อภพก่อชาติสังขารสามปุญญาพิสังขารอภิสังขารคือบุญอะปุญญาพิสังขารอภิสังขารคือบาป อเนีชาพิสังขารอภิสังขารคืออเนีชาคือสมาธิสมาบัตินั่นเองอเนยียนชาพิสังขารปูญญาพิสังขารคือพิสังขารคือบุญบุญในทางพระพุทธศาสนาะบัญญัติถึงพระอนาคามีส่วนพระอรหันต์ไม่ไม่ในบัญญัติว่าบุญเพราะเหนือบุญไปแล้วเหนือบาปไปแล้วส่วนทางบาปบัญญัติถึงมหาวีากีนรกเมโลกันตานารกหมายถึงปาราชิกขีและอนันตญยกรรมห้าทางบาป ส่วนทางบุญหมายถึงพระอนาคามีเหนือไปกว่านั้นไม่ได้ถือว่าเป็นบุญเป็นบาปใช่แล้วอเข้าใจนะทีนี้เข้าใจทำไมจะไม่เข้าใจฉล า, าดถามถึงขนาดนี้เราก็เข้าใจทีอดีตคืออะไรคือหางปลาอนาคตก็คือหวัวปลาปัจจุบันก็คือตรงพุงของมันแต่ <c oughs> แต่อาศัยปัจจุบัเนเมื่อาอาศัยปัจจุบันแล้วก็ไม่ติดอยู่ในปัจจุบันก็ข้ามเท่านั้นข้ามปัจจุบันได้ก็ข้ามโลกได้ไม่ยึดถือปัจจุบันเป็นตนจนเป็นจะปัจจุบันเรียกว่าข้ามปัจจุบันปัจจุบันเป็นแต่สักว่าปัจจุบันตนเป็นแตน่สักว่าตนอัตตาก็าเป็นแต่สักว่อัตตา ไม่สำคัญว่าตนเป็นอัตตาไม่สำคัญว่าอัตตาเป็นตนไม่สำคัญว่าตนเป็นอนัตตาไม่สำคัญว่าอนัตตาเป็นตนไม่สำคัญว่าตนเป็นผู้รู้ไม่สำคัญว่าผ claro ู้รู้เป็นตนูไม่สำคัญว่าตนเป็นผู้รู้ก็ไม่สำคัญผู้อื่นเป็นผู้รู้และผู้รู้เป็นผู้อื่นเหมือนกันอันเดียวกันถ้าไม่สำคัญว่าเราของเราจะมีมาจากประตูไหนก็มีแต่สังขารและกองทุกขานั้นน่ะสังขารสูญในเงื่อนสองไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา สังขารศูนย์ในเงื่อนสี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ผู้อื่นไม่ใช่ของผู้อื่นมีแต่วามทุกข์เรียกว่าพิจารณาสังขารศูนย์ในเงื่อนสี่พิจารณาสังขารศูนย์ในเงื่อนสองไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราท่องกำล ม, มหายใจเขาออกทำลายเล้วยทาลายอุปาทานแตกกระจิงทำลายโลกทำลายความหลงเจ้าของอนัตตาเป็นอนัตตาที่ทำลายความหลงเจ้าของ ทุกขังอนิจจังก็ทำลายอวิชาตัญหาอุปาทานได้เหมือนกันถ้าเห็นทั้งโลกอดีตทั้งอนาคตโลกปัจจุบันมีแต่ทุกข์เสมอหน้ากองแล้วเราจะไปสงสัยอะไรอีกใี่ีหเราพิจารณาเห็นทุกข์ก็ต้องทุกข์เสมอกันเหมือนหน้ากองเราพิจารณาเห็นอนิจจังก็เห็นต้องเห็นอนิจจังเป็นหน้ากองวัดเราพิจารณาอนัตตาก็เป็นอนัตตามวัฏรือบวดอย่างนั้นมันจึงไม่มีที่แย่ เราพิจารณาหน้าก็เห็นน้าไปทั้งหมดพิจารณาดินก็ต้องเป็นดินทั้งหมดในโลกธาตุพิจารณาล่ากระดูกก็เป็นล่ากระดูกทั้งหมดเต็มและพิจารณาธาตุน้าก็ต้องเป็นน้ามดพิจารณาไฟก็ต้องเป็นไฟพิจารณาลมก็ต้องเป็นลมมดเหนือภาคกันนี่ในลูกประขันในลูกกระธาตุพิจารณาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ผู้อื่นไม่ใช่ของผู้อื่นก็เต็มไปด้วยอนัตตาธรรมข้าพเจ้าเป็นอนัตตา ข้าพเจ้าเป็นอัตตาพระธรรมก็ไมาในยืนยันเป็นอาที่ของผู้รู้จะรู้จักตามข้าพเจ้าเป็นตาข้าพเจ้าเป็นหูข้าพเจ้าเป็นจมูกข้าพเจ้าเป็นลิ้นข้าพเจ้าเป็นกายตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่ในยืนยันและก็ไม่ปฏิเสธและก็ไม่ในวางเฉยพระกิตตสังขารไปใส่ชื่อเรือนามจิตตสังขารใส่ชื่อตาหูจมูกลิ้นแล้วดูนี่ ไม่มีใครใส่ชื่อให้ตนก็บอกว่าใจใจใจใจเอาโขนหัวสวมตัวเองถ้าไม่รู้เท่าใจก็เป็นทุกข์อยู่ที่ใจ <c oughs> นะทําดีทําชั่วเพราะใจเป็นผู้ทำํำจะไปทิ้งให้ตาหงษ์จงริน้นเขาก็ไม่รับไปเที่ยวฟ้องเขาใจฟ้องว่าอันนั้นฟ้องว่าอันนี้ตนหาไปฟ้องเขาตนหาไปติดคุกตนหาไเสียงเงินก็คือใจนี่เองนะ อะไรจะว่าอะไรว่าซะุแล้วกุดนะูอ่ะไปจุกไปจุกเนะไปสาหา้าห้าทุ่มเลยฮะอ่ ะ, อะพอดีไะเริ่ม ก, กัน <c oughs> ข้าเกิดมาพอพระพุทธศาสนาเข้าย่าเป็นคนตัวเข้า ให้เป็นคนไม่สัตว์ไม่คมเมื่อม่ศียก็ขอให้ันไม่สัตว์นัตถิเมสรนั่งอันญังศาสณะอื่นของเฮาบ่ไม่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถนั้นเป็นศาสนาอันประเสริฐของเฮาเอเตนะสัจจะวัตเทนะโสตถิเมหัวตัสัพพาด้วยก้าวความสัตว์นี่ความสวัสดีจงมีแก่เรานัตถิเมศรนั่งอัญญัง สถานะอื่นของเราไม่มีทำโมเมีสถา น, นางวังพระธรรมเป็นชนะอันประเสริฐของพวกเราทั้งหลายด้วยเก่าวคําสั่์นี่เอเตสัตจวัฒน์เทศสธิเมโหตุสภาธาขอความสวัส ด, ดีจงมีแก่พวกเราทั้งหลายนัตเทมีสถา น, นางนั้นยังสร้างโคมีสถา น, นางวังสถาะอื่นของเราไม่มีพระนิรันดรงเจ้า เป็นเทพึ่งอันเปิดเผของพวกเราทั้งหลายด้วล่าร์ความสัตย์นี่ขอความสวัสดีจงเมแก่เรายังเยนเจีรัตนังโลเกวิชิติวิวิธังพุทโธรัตนังพุทธะสังนะติตัสมาโสตทิะวันตุเตรัตนะอันใดในโลกนี้จะเสมอเหมือนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นไม่มื่เลยด้วยก่าว์คำสัตย์นี่ขอความสวัสดีจงเมแก่เราถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตาเท่าเขาสู้พระญาพานระลึกได้พิ่มได้กว่านี้ ตั้งสัจจะปารมีสัมปัโนโยตั้งอธิฐานปารมีสัมปโนโยอธิษฐานแม่สิตายมื่อไรซิบเท้าจะเกิดเมือไรได้ิบเท้ากระาจสไม่ยอหนีจากควาพพระธรรมประสงค์ตายมือลรล้านเท้อกถาเลือดทุกหยดที่ผูซ า, ปปราพระพุทธธรรมประสงค์อยทุกเมือ่อจะขอมอบกายถวายต่อพระพธรรมประสงค์ทุกเมือ่อแะลึกได้ไมาลึกได้กวดีก็ขอให้เข้าใจไปยังสัตตั้งสัตว์ไปยังสัน ข้อนพระมิสัตมันบอดีขันสัตพระมีกศีนมันขาดมดหลวง่อสัอรรถว่าอันไหนคือกันมัดสัจจาปานิสัมปันโนเป็นของสําคัญอธิษฐานอปามีสัมปโนเป็นของสําคัญมากสัจจาปามิสัมปันโนตั้งสัตไวขนาดกลางไว้ขนาดพอดีสัจจาอุปปานิสัมปโนตั้งไว้เคยงเกิดเติบก็นั้น สัจจาปรมัตถะปรมีสัมปโนะณะตั้งสัตว่ายในทัางที่ดีแล้วตายก็ย่อมตายอันนั้นเป็นมหาสัจจาอันอธิฐานะปรมีสัมปโนคือกันอธิฐานะอุปารมีสัมปโนก็ตามอธิฐานะปรมัตถะปรมีสัมปโนะได้อธิฐานไว้แล้วน่ยย่อมตายต้องอธิฐานไว้เลยอธิฐานต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตั้งสัตว์ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านอึ้งมันเปิดค่อนข้างไปเองคอนี้ยเป็นคอสาคัญ พอเป็นคิดทุเลาเบื้องต้นของพระพุทธศาสนานี่ยหมายถึงซึ่งพระพุทธศาสนาเป็นที่เพิงคิดทุเลาเบื้องต้นก็เรียกว่าเพิงพระพุทธธรรมพระสงค์อยู่แล้วหวังเพิงพระพุทธธรรมพระสงค์อยู่ในคิดในใจของเข้าแล้วก็เรียกว่าเข้ามีนนโมแปลว่านอบนอบอยู่เ่ามียของเวรของขืนจิดใจของเข้าเนี่พุทธธรรมสง็อยู่ในคิตในใจของเขาอ่างบอายุบรรณอื่นนี่เดี๋ยห้องไปห้องมั่นรักษาเอารักษาเอาในคิดในใจของเข้าอย่างบนอันนี้ไปใช้กันเห็นก็เห็นเนี่ยนี่ คันนี้กันนี้ออกจากนี่คนเห็นขึ้นพระพุทธธรรมประสงค์กับัมใจผู้เห็นเนี่ยคันว่าเห็นกับแใจผู้ว่าเห็นคันเรีอมสกยกับแม่ใจผู้เรีอมสายพระพุทธธรรมประสงค์เรียมใจคำเรีมสายคสอนพระพุทธเจ้าเรียมสาคำคสอนของพระพุทธเจ้าเรีอมสภริยาสงฆ์ผูบพฤษเดีประพฤษชอบตรัสธมมาแล้วพระพุทธเจ้าผู้พนว่าพฤษดีประพฤเจ้าก็เป็นเรื่องของเบินเฮ้าแยไปตัดพระพุทธศาสนาที่มดไหมคนเห็นพนึงเห็นบดีจะตัดพระพุทธศาสนาที่มดเข้าสิสำคัญว่าเาเห็นธรรมมันกับว่าถืออนัติธรร อ๋อท่านอรรถเกิดเป็นพระเทวทัตก็ดีพระชุบพระพุทธะก็ดีเบียดเบียนพระพุทธเจ้ามาถ้าปางไดๆพอนเข้าก็ตัดทิมได้พวกนั้นเ่วาพระพุทธเจ้าเข้าบด้ทิมความประทับพระสงค์ก็เป็นเรื่องของเพื่อนนั่นเพื่อนไอ้ท่ำซ้วก็เป็นเรื่องของพือนั่นนี้เห็นเูือื่นท่ำซ้วเอเขาจะไปค่ายคววมเหลื่อมใสพระพุทธศาสนาวัดเขาสำคัญว่าเขาถือศาสนาจ้างมันก็บวัตถุั่นนั่งขันธ์เื่อนว่าเฮ็ดดีเขาก็เฮ็ดดีที่ขันธพื่อนว่เหลื่อมใสเข้าก็เหลื่อมใส่ ของกิจของไก่เฮ้าเป็นพี่เป็นผู้เรียมแสไ่าได้ยืมของผู้ไรมากเาบอกเ่านน้อยเีเฮาเห็นพื่นหนึ่งทำพอดีแล้วขวามพุ้นักสาธารณมือวัดมันกับอะไรคือประเทศชาติบ้านเมืองเฮ้านะเขาเฮ็ดพอดีเฮ้าจะไปสร้างโมเสกเพราลมราซาเมื่อกับกเรื่องของผู้เฮ็ดบอดีดกันเจ้าได้คือกันผู้เฮ็ดพอดีเฮ้ากับกับเป็นบาปพเพื่อนแต่เฉพาะเพื่อนเฮ็ดดีกับเรื่องของเพื่อนกาเพิ่นเฮ็ดดีเฮ้ากับเสด้รับนําเพิ่นหมาสัน้างเพิ่นเฮ็ดพอดีเฮากับกเได้รับนําเพิน่นคือกันของภายทามั่นเด้ ผลชุดท้ายมันก็ต้องพี้ยไปหันเาบองเัา่านคำว่าท่านนั้นกับปฏิบัติบ่หลงเท่กันเขาวัดเขาวัดบ่หลมกับยามันเข้าคิดเข้าใจเข้าให้มันหลมสร้างพระเราเขาวัดบ่หลมกับบ่เม็นแนวเข้าคิดเข้าใจเข้าในเถึงพระพูทพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละมหาวัดน ะ, ะเรื่องใดว่าเรื่องใดกนนี้ข้อมอบกายถวายทีวิตพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกเมื่อบรมีประมาสตราเถ่าเขาผูาผ้ทธพญพลาดผลจากทุกในวัดเจ้าสงสาร อยู่ทุกวานบ่มีประมาณก็ก่าเถื่อเขียนไว้หมดแล้วนี่เลพุทธธรรมสง่งนั่นนีเรื่องเข้าใจปฏิบัติไปมากผลเนี่พานยังนี่อีกเรื่องเขาปฏิบัติมนุษย์สมบัติเนี่ยมนุษย์สมบัติตคืออย่างอบายยมุกเว้นมัดน้ำจะอบายยมุกเนี่ยมันหลายกับเก่าคนทางหลายมันมันเข้าใจผิดบนอบายยมุกเข้าใจถือว่าเลีกพระบัตรเบือมันเป็นท่างเจริญนะท่น ก็เรียกว่าเข้าในขั้มรายขั้มสอนนะพุทธเจ้าคั้สอนอันนี้เป็นคั้สอนตั้มๆเลยคั้สอนเนี่ยสอนคารวะสัมฤทธิ์สอนคนหยาบที่สุดอันนี้ว่าให้เรียนอบอายยมุกสอนผู้ที่เว้นอบอายยมุกไปสอนละเอียดไปก็นั่นอีกอันนี้จะเพียงอบอายยมุกเข้ากับยังละบวไ้เยอะเฮ็ดจังไหนเข้ายังถึงธรรมสันสูงของพระองค์เจ้าให้บอกจังสันไดไหมโมโห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 ได้ใ น, ในโกรวดอนัตาไม่ต้องสงสัยเลยนาะทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งวัจจุบันเพราะมันมีเท่านี้ไม่มีอันอื่นไม่มีมากสภาวะโลกทั้งควงไม่มีมาก เป็นเมืองขึ้นของอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นสังขารโลกโลกคือสังขารสัตว์โลกโลกคือหมูสัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโลกได้แก่ชะกามพระจระหกชั้นพระมรรคได้แก่รูปภพพรมภพชั้นและรูปภพสี่ชั้นโลกทั้งหลายรวมลงมาในสังขารโลกสังขารแบกออกเป็นสองอุปาทินะสังขารสังขารที่มีใจครอง คือรูปตายของเรานี่เองดินน้ําไฟลงชุมกันเป็นกายเรียกว่ารูปเรียกว่ารูปขันเวทนาัญญาสังขนยนยานวิญญาณเป็นนา ม, มะกันทั้งสองอย่างนี้เกิดขึ้น แ, แล้วแต่ควรแทรกสงา์ไม่อยู่ในอํานาจวาสนาของท่านพ่อใดจงรู้ตามเป็นจริงจงคอยปรัจงปฏิบัติตามเป็นจริงจงลดพ้นจากความหลงของตนตามเป็นจริงเถิดพระพุทธมัสสานาโรคคนใหมีมากมากว่าก็มากออกจากใจ ย่นก็ย่นลงมาหายใจปัญหาทำไมมีมากก็เพราะเราสงสัยมันก็มีมากถ้าเราไม่สงสัยมันก็ไม่มีมากคนจะมีมากสักเพียงไหนกว่าตามจะมีกี่ล้านกว่าตามจะเป็นฝ้าเป็นดินกว่าตามก็ย่นลงมาเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเท่านั้นถ้าย่นลงมาในสี่ย่นลงมาในหนึ่งก็คือจิตเท่านั้นย่นลงมาเป็นสองคือกายกับใจ ย่ลงมาเป็นสามกายวายกายใจย่นลงมาเป็นสี่ก็คืออริยสัจ ส, สี่ทุกสมุทัยในโรดมัดย่นยลงมาเป็นห้าก็คือขันห้าขยายออกเป็นห้าโรคเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นแล้วแปรปรว น, นแตกสลายทั้งนั้นเมื่อใดเห็นทำทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกสลายสังขาราปรามาทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่ง รูปกายนาวกายเป็นทุกอย่างยิ่งรูปขันนาวขันเป็นทุกอย่างยิ่งมีความหมายอันเดียวกันเมื่อใดเห็นธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมหนายในทุกนั่นแหละทางแห่งวิสุทธินั้นแหละทางแห่งกิตติวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิตรงตื่นกันอยู่ที่แห่งเดียวเห็นพร้อมกาลมเข้าลมออกเลยรวมลงมาที่นี่รวมลงมาในกรรมฐานที่เราตั้งไว้่ะ เราตั้งกรรมฐานไว้แหงหนึ่งแล้วก็ไปเหนี่ยวร่างพิจรณาแหญงหนึ่งอีกก็เรียกว่าทับแตกแม่ทับพาแตกแม่ทับขี้ขาดถ้าไม่แม่ทับามาแม่มาพาแตกแล้วมันก็รู้ตามเป็นจริงรู้ตามเป็นจริงอันหนึ่งแล้วก็รู้ตามเป็นจริงหมดเมื่อรู้อนิจจังอันหนึ่งแล้วก็สับพระอ น, นิจจังทั้งฟวงก็รู้หมดเมื่อรู้ทุกอันหนึ่งแล้วสับพรทุกทั้งฟวงก็รู้หมด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 ฝนตกอยู่ที่ไหนธาตุน้าธาตุไฟธาตุลมท่านนับได้หมดก็ท่านนับลงเป็นเอกานิบาตลงเป็นหนึ่งในวัจจวันหนึ่งดินหนึ่งน้ำหนึ่งไฟหนึ่งลมถ้าไปถ้าจะไปนับหนึ่งสองสามสี่ห้ากี่วันมันยึงจะหมดผู้นับก็เป็นผีว่าผู้เป็นกรรมการก็ผีว่านะพระพุทธศาสนาสอนในสิ้นความสงสัยสอนในทำลายความหลงของตนเพราะถูกแพ้ความหลงของตนมาหลายชาติหลายแล้ว ชนะความตรงความหลงของตนโดยทั้งปวงก็ชนะโรคทั้งปวงก็ชนะสงครามโรคทั้งปวงชนะก็ชนะอยู่ที่เมืองใจของเราแพ้ก็แพ้อยู่ที่เมืองใจของเราชนะที่อื่นเวลาเ ด, ดินทมถ ế, ทเถรพระรามาาศาสต า, ามาเนี่ยเอามาบนเตะเล่าชนะใจของตนชนะความหลงของตนที่เมืองใจถูกแพ้ก็ถูกแพ้ที่เมืองใจข้ามทะเลเใจ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 โสดพระไม่ใช่ตัวตนทำมาเราไม่ใช่ตัวตนทำมันชั้นสูงผู้ยินดีในพระพุทธศาสนาผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาไม่ใช่คนโง่เ ง, ง่าเต่าตุลเป็นคนที่สร้างบารมีแก่ข้ามาแล้วผู้ปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ในวัดพระสงสารก็ะจ้องเดินทางรัดผู้ปฏิบัติเพื่อมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัติไปเป็นลําดับ ก็สอแสดงให้เห็นว่าบาลามิยังก่อนอยู่ผู้บาลมีแก่ทราบมาแล้วมนุษย์สมบัติก็เห็นแล้วเห็นทําไมเพราะอยู่ใต้อํานาจอนิจังเทวโลกสมบัติก็เห็นแล้วเพราะอยู่ใต้อํานาจอนิจังพุทธโลกก็เห็นแล้วเพราะอยู่ใต้อํานาจอนิจังถ้าภาวนาดีก็ต้องไปเห็นนรกสิว่าอย่นนะเขาไม่ภาวนาเพื่อจะเอานารกไปพระนิพัณฑด้วยเบื่อหน่ายนารก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 ก็ถึงพระสวดาวันคนหนึ่งฟังก็ถึงไตรธนะกรมคนหนึ่งฟังได้ถึงสักทาคามีคนหนึ่งฟังได้ถึงพระอนาคามีคนหนึ่งฟังถึงพระอรหันต์เพราะเหตุใดเพราะปัญญามัอยู่ในระดับเดียวกันตีความหมายต่างกันพุทโธคําเดียวตีความหมายจนถึงโลกุตระจนถึงพระในพานพุทโธพระอรหันต์เป็นพุทโธพระในพาน พุโทโธแปลผู้รู้ผู้รู้พระเนรพาลู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงลดทอนตามเป็นจริงแล้วพุโทโธพระสวสดาวันเป็นพุโทโธที่ไม่หลงทางใครอยากได้พระสวสดาวันก็เอาซะไม่เสียดายอยากร่วงละเมิดสินห้าไม่เสียดายอยากร่วงอบายยมุขไม่เสียดายอยากจะสาบแช่งท่านผู้่ใดโกรดอยู่แต่ไม่ผูกเวรมึงเธอไม่มี เออถ้าเคยได้ทำพิธเข้ามาแต่ชาติก่อนเพก่อนก็ให้แล้วกันไปซะหรือเข้ามาขอใหม่ก็ให้แล้วกันไปซะข้าพระเจ้ามีโกรธอยู่แต่ไม่ผูกเวรนั่นภูมของพระโสดาบันนั่นนะไม่ถือศาตราอื่นอัญเชญทัพย์ทุตเทศไม่ยอมถือศาตราอื่นและไม่ยอมถือรักที่อื่นๆเหนือพระพุทธศาสนาเลยคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยาคณยาคุณพ่อคุณแม่คุณท่านพวกเมยคุณ ไหลขึ้นสู่ i i คุณพระพุทธธรรมประสงค์คุณพระพุทธธรรมประสงค์ไหลขึ้นสู่คุณพระเนพานเหมือนเขียบทิศจะมีกี่ด้านล่าก็ชี้ไปในทางทิศเหนือชั้นใดคุณสัพคนเท่ากูก็เป็นเมืองขึ้นของคุณพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาที่สุดยอดก็ไปรวมพลกันอยู่ที่พระเนพานพระเนพานมีในศาสนาอื่นหรือไม่ พระบรมศาสดายืนยันเผงๆเลยบอกว่าไม่มีสุพัทพโนเชื่อยายะสามีมีแต่ในศาสนาพุทธนั้นเราไม่พูดข้าวข้างตัวดอกเราไม่พูดดูหมินท่านผู อ, อื่นเราพูดตามเป็นจริงถ้าเราไม่พูดตามเป็นจริงก็แปลว่าเราเป็นคนขี้ขาดเราประเทศสนาโปดโรคไม่ได้พระบรมศาสน า, าสิหานะทางนะท่านเจเนาะประกาศพระศาสนา เป็นงี้ห้านาดได้อย่างเต็มองมิพระบรมศาสนาเราได้หัวหน้าดีแล้วหัวหน้าของเราก็พระบรมศาสนาทุกๆพระองค์เราเริ่มสายในศาสนาพระโคดมก็ถ้ากลับว่าเราเริ่มสายในศาสนาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เพราะเป็นคําสอนอันเดียวกันเพราะเป็นธรรมอันเดียวกันนัเราอย่าไปสงสัยจะมีกี่ล้านล้านพระองค์ก็ตามเป็นคำสอนอันเดียวกันไม่เหมือนกฎหมายกวาดหมูกวาดพักกดพวกตั้งขึ้นแต่ในยุคในยุคทุ่มเสียงเกี่ยงงอนกัน พระุทธเจ้าทั้งหลายไม่ได้ชี้งเถียงเกียงงองกันไม่ได้อวดดีด้วยสอนโลกอย่างเต็มภูมิมนุษย์สมบัติอย่างเต็มภูมิสวรรค์สมบัติอย่างเต็มภูมิพรมสมัติอย่างเต็มภูมินิพพานสมบัติอย่างเต็มภูมิไม่ได้สอนมนุษย์ิบัติสวรรค์ไบัตรพรไว้บัตรนิพพานไดบัตรมนุษย์ิบัติคืออะไรคืออาบายมุกเป็นมนุษย์ิบัตินั่นถ้าเว้นจากอบายมุก ก็เป็นมนุษย์สมบัติเมื่อสมมนุษย์สมบัติมีแล้วสวรรค์สมบัติเปิดประตูไปเองพรสมบัติก็เปิดประตูไปเองนิพพานสมบัติก็เปิดประตูไปเองไม่ต้องแวะซ้ายแหลกขวาเดินลุดหน้าเลยจะเดินเร็วหรือช้าก็ไม่หลงทางนั่นสักถังสาวพยันชนะเจวระปาริคุณังปฏิสุทธิ์ทางพรหมจรยังประกาเสสิบริบูนแล้วทั้งอัฏฐ์ทั้งพยันชนะ ไม่มีที่จะแซงเลยเพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็เหมือนกันโลกทักหลายจะมาแซงคําสอนพระพุทธศาสนาไม่ควรเอาพระพุทธศาสนาไปขึ้นสเตจชกมวยกับศาสนาอื่นมันบาปนะอย่าเอาพ่อตาเขาลูกเขยไปชกมวยกันไม่ถูก <c oughs> ทีนี้ท่านผู้ใดสงสัยอะไรก็เอามาสิทำแท้มันก็ไม่มีมากเนอะ เรื่องมากว่าเป็นโวหารโวหารก็หานลงหานลงที่ใจโวหารกับโหรก็ันเดียวกัน <c oughs> ตัวนี้นิดๆนั่งภาวนาอยู่รับเลยตัวนี้นิดเก่งเหมือนกันเนอ้อนั่งภาวนา <c oughs> เราจะตั้งจิตหายใจเข้าเราจะตั้งจิตหายใจออกเราจะเห็นกายในกายหายใจเข้า เราจะาเคลื่นกายในกายหายใจออกหายใจเข้าออกเนี่เป็นกายสังขารเนอเออหายใจเข้าหายใจออกมิตรตกมิจารณาเรียกมัจจสังขารหายใจเข้าหายใจออกสุไวเวทนาสัญญาสังขารสังขารเป็นคิดตสังขารแปดหมื 80, ่นสีพระธรรมขันธ์รวมลงในปัจจุบันเลย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 มีอยู่แต่มันล่วงไปแล้วทุกนี้มีไหมมีอยู่แต่ยังไม่มาถึงปัจจุบันมีไหมมีมีทั้งหนังและเขาด้วยมีทั้งเงินด้วยมีทั้งตัวงเงินด้วยพระธรรมจะมีมากสักเพียงไหนก็ย่นลงมาหาปัจจุบันเลยใครตายทร้อมกับลมเข้าลมออกก็ไปเกิดในพุทมโลก ผู้ใด ต, ตายพอ่อเขลงเขาล ง, อ, ลงออกพิจาณาอานิจจังทุกขั้งอนัตตาพรอมก็ไปเกิดในภพมโลกอีกเหมือนกันมีอานิสงส์ร้อยโกรธกับพิจนาอานิจจังทุกครั้งอนัตตาพรอมเขาลงเขาลออกผู้พิจารณาเป็นจะ ส, ส, สักรูปเป็นจาสักว่เห็นพอ้องเขาลงเขาลออกตายแล้วก็ไปอรูปปฐมมีอานิสงส์ร้อยโกรธกับถ้ายังไม่พ้นทุกข์ หน้ากายมันสกปรกถ้าไม่อ่าบน้าคิดใจถ้าไม่ปฏิบัติจรินทำมันก็สกปรกเหมือนกันมันจะเว้นไม่ได้เมื่อเว้นอ่าบหน้าไม่ได้ก็เว้นปฏิบัติทำไม่ได้ถ้าไม่ปฏิบัติทำถ้าไม่มทำอยู่บนหัวใจแล้วไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทรงอยู่ที่หัวใจแล้วจะเอาอะไรมาพกครองมันจิตนี่มันไม่อยู่หรอก นอกจากรั่วพระพุทธธรรมประสงค์เท่านั้นรั่วธรรมรั่ววินัยเท่านั้นมันจึงจะอยู่ถ้าไม่มีรั่วธรรมรั่ววิเัยมันก็ไม่อยู่โคกระบือต้องร่มรั่วและกำแพงกำแพงของมนุษย์ก็คือทำวิเนยนั่นเองของพระพุทธศาสนานั่นทีนี้ท่านผูน้อะไรป่าลบอะไรก็ปา่าลบซักมาแล้วก็เหนื่อยถึงสองชั่วโมงแล้วสามชั่วโมงกับงบังทีนี้ ที่นอนเราที่พักเราก็พอกันไหมนี่ยรู้มากคนยัดเยียดอันนี้ mm. ห้องถ่ายห้องน้ำพากันเห็นแล้วหรือยัง mm. เห็นแล้วนะออราบุราบริบริทีสราคังเอวามีวะอโต้ทินนังเปตานังวปกะปติ ปิชิตังปะชิตังทูมหางเกปะเมวาสมิตจตุสพเพกูรเรนตูสังกปากั น, ทนาาโทปนระโธญาทามิชโชธีระโสยาทาสัพพีธโ ย, ยวัชนตสัพพตุโกสัพพะโยะสัพพะโพพรโขวินัสตุมาเตพวัตวันตรายูสุขีธีคายุโภพระอภิวาทนาสีนิสานิจังวชานายาโยจัตารุธรมาวันติอายุวโนโสุขังะ พลงังปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ในวัฏสงสารปัญหาไม่มากเน้อปฏิบัติเพื่อราภพยพปัญหาว่าพุทโธก็เป็นพุทโธเรียกพุทโธผาพุทโธบัตพุทโธ เ, เอไปาเอะมันจะพาลงนรกกับพุทโธอส่กาตัวพระบรมศาสตราพาเอาพระพระบรมศาสตราพามาเล่นเล่นเล่นผาเอาพระพุทธพธรรมพระสงฆ์มาเข้าในอบายมุขด้วยตัวบาปเว้นซะ ใครอยากได้พระสวัสดิวันก็เว้นวันนี้ถ้าได้พระสวัสดิวันในสักกคาคามีอนาคามีอรหันต์ก็อยู่ในอุ้งมืออุ้งมือของสติอุ้งมือของปัญญาไม่ใช่อุ้งมื อ, อนอกๆนี่เปิดประตูไปเองนะเหนือจะเสียใจในภายหลังพระบรรมศาสดา ร, ร, ร, รีบเอาซะคําสอนแตจกวัดระ บ, รบาดค้ายๆกับว่าพระบรมาสารดา ร, ร้องเรียกอยู่ลูกหลานเอ๋ยลูกหลานเอ๋ยตะกั่วว่าว่านะไม่มีกลางวันกลางคืนไม่มีเอวัง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 มันจะเอาอีกสองกันแล้วเอาละทีนี้คุณที่ว่าเอานี่มาแกกันเลยค <c oughs> ุณยายพอเก็บจีบได้หรือยังพระกรรมฐานหน้าแบกกรดสะพายมุงโกหกเขากินขนมท่านพูดอย่างนั้น <c oughs> ท่าพูดเจ็บปวด เที่ยววเวกไปเที่ยวมากินขนมเขาถามภาวนาไม่ได้เรืองธรรมลมรักภูมันดุเลยดุเก่งกว่ารักภูมมหาี่เอกรักภูมหาบัวไม่เก่งเท่าลักภูมันรังภูมันยังดุเก่งกว่านั่นเล่าเก็บศพไปนาน ไม่มีในหลวงปู่มัน่นพระเนนในวัดพระเนรในวัดจะเล่าเรื่องลาชิกขาไม่ได้เดีย๋ยวมาเล่าที่นี่ไปเล่าที่อื่นที่นี่เป็นที่ปฏิบัติหลวงปู่มัานถ้าใครต้องการลาชิกขาจะลาอยู่ที่วัดของท่านไม่ได้ต้องหาโอบายไปเที่ยวนีว่ๆเขาไปลาที่แห่งอื่นเขาบัดึกลาชิกขาที่แห่งอื่น ไม่มีใครลาซื้อขาใสาวัดท่านเลยมีแต่บวชบวชก็ห่างเต็มทีบวชที่อื่นแล้วจึงมาปฏิบัติมากหวงปู่มัน่นเราจะจับพิรุษว่าท่านชอบอะไรจับพิรุษไม่ถูกท่านฉันอาหารสังเกตเอาเออท่านฉันอันนั้นมากที่เราก็ตามไปตามไปตามไปเท่าที่มีมาโดยเป็นธรรมไม่ได้ไปขวนขวาย กระเพิไปพิษไปไม่รู้ว่าท่านชอบอะไรแ ม, แม่แต่สิ่งที่มัน้นแย่งกับโรกขององค์ท่านโลกอง์ท่านท่านเป็นโรคฤทธิ์ดวงทวารหนักลพมุนไม่เคยไปโรงพยาบาลเลยผู้จะมาฉีดยาให้องค์ท่านถ้าไม่ถึงไตสระกรมท่านมาให้ฉีดลพบุญแต่ว่าท่านไม่พูดอย่างนั้นท่านก็คัดข้องไม่ ไม่ไม่ให้เสพยายากที่สุดลวกปูลวกปูหน้ามะพร้าวมันผิดหมหน้ามะพร้าวมันมันไม่เป็นมันมันมันไม่แสลงมันไม่แสลงก็จิงอยู่แต่ว่าเราแก่แล้วจะเอาอะไรมารดมันก็ไม่งอกขึ้นเหมือนต้นไม้เพราะต้นไม้มันแก่แล้วจะฉันมันก็ไม่พิดดอกหน้ามะพร้าวฉันตอนกลางวันแต่เราไม่ฉันฉันมือเดียวเท่านั้นทันถูกอยนั้นเราก็เหมือนกัน รวยมาสักเพียไหนเราก็ไม่ฉันฉันเมื่อเดียวเท่นะเออการเช่าท่านฉันเข้าได้ช่วงหนึ่งแล้วใกล้จะเที่ยงเอาไปฉันอีกสักอย่างนั้นก็ไม่ฉันหลวงปู่มั่นก็ไม่ฉันเราก็ไม่ฉัน อ, อตายเป็นตายลูกศิษย์ขององค์หลวงปู่มั่นตัวใกล้หลวงองค์หลวงปู่มั่นก่อหลวงปู่มหาใกล้ความสงควรแล้วนัานก็ไปคนระแบบระแบียบระเ บ, บีย บ, บ <laughs> หลวงปูมันนักแขกพระไม่ในนักแขกโยมครูาอาการทุกวันนี่นักทั้งแขกพระนักทั้งแขกโยมลวงปูมหารหลวงปูมันนักแต่แขกพระออกพรรษาแล้วมากพระเปลี่ยนกันอยู่สามสี่องค์แล้วก็บไปสามสี่องค์กับไปผู้ประจำอยู่นั่นจึงอยู่ได้ผู้ที่จมพรรษาที่อื่นก็ ไปสองวันสามาันท่านให้ออกท่านให้ออกให้ออกเท็แล้วให้ออกเรื่อยๆเพราะมันไม่มีมันมันไม่มีที่พักสมัยหลวงปู่มัน่นไม่ได้ดูแลผู้ที่มาเยี่ยมทางไกลพระโจรไม่มีสมัยนั้นและเขาก็ไม่ม า, ม า, ม, ามากเหมือนขนาดนี้ออแต่ก่อนคนเร่ย์ไซล์หลวงปู่มัน่นก็นายวันคมนามูลนางทองสุขคมนามูล โคราชในกรุงเทพก็มีคนเดียวนางเงี้ยโขงแท้โคกตลาดชีดาถนนวอรจักจสมัยนั้นถ้าน้องคายก็มีโยมคนหนึ่งทางสกลคนครก็สกลคนครก็มีโยมรู้มทนั้นทุกวันเนี่ยมันรู้หรานี้เกินมันเก่งกว่าครูอาจารย์ใช่ไหมสมันเก่งทางกิเลศ แต่เราน้อมว่าเราน้อมถึงว่าเราน้อมบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราไปน้อมว่าเป็นสมบัติของเราก็เลยหมดปัญหาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมาในใจโลกธาตุเราน้อมเป็นบุญของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งหมดนับแต่ลูกไม่ขีดใครอันเดียวไม่สําคัญว่เป็นของตัวไม่สําคัญว่เป็นสมบัติของเราทีนี้เราก็เบาใจทีนี้ถ้านึกว่าเป็นสมบัติของเรา เวลามีมากเราก็จะติดอยู่เวลาในนี้น้อยเราก็เสียใจน้อยก็ตามมากก็ตามโอ์เป็นของพระพุทธธรรมาสงหมดแม้ว่าแต่ท่านนั่นในสัพพะไตโลกธาตุเราโอนเป็นของพระพุทธธรรมมาสองหมดแล้วเพระน้าลายของท่านแต่ชาวเราทั้งหลายมาแย่งกันเหมือนหนอนทรัพในไตโลกธาตุเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนาหมดโดยไม่รู้ตัว ใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามใครจะให้คะแนนหรือไม่ให้ก็ตามเป็นทรัพย์สมบัติของพระพุทธศาสนาทางนั้นพระพุทธศาสนาทานัเบื่อแล้วตายแล้วคลายไปแล้วท่านผู้คนทุกข์ท่านมาเป็นคู่แย่งกับพวกเราพวกพระรหัสทรัพย์ของพวกพระรหัสทางนั้นพระรหัสสี่คำพวกพระพุทเจดพระสมานพรพุทธเจ้าพระสาวกสาวิกาที่เป็นพระรหัสสมบัติของพระรหัสสี่คำพวกทรัพย์ในตจโลกาเนี่ยท่านเหล่านั้นมามาแยก ทำไมถึงไม่มาแยกทำไมถึงเวียน่เพราะเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เกิดขึ้นแล้วพอแปลปวนนั่นแจกสาระกเลยวางทิ้งแต่พวกเราก็มาแย่งกันผู้มีกิเลสมากก็แย่งมากผู้มีกิเลสน้อยก็แย่งน้อยนั่นแย่งไปแย่งมาก็ตายขาโรคกันอยู่นี่วางคนเขาก็มาว่าให้หลวงปู่เหมือนกันทำไมทำโกเก๋แท้อะเออแม่แม่กโกเก๋แม่แม่กโกเก๋ดอก ข้าพบพระพุทธเจ้าของเรานะ่ยวัดป่าเชตตะวันมหาวิหารกระเป๋าเดียวสี่สิบห้าโกดกระเป๋าเดียวนะ 4, 5, 4, 5, 18, สี่สห้าโกดสีห้าโกดเอาสิบไปคูณดูสิสิบล้านจึงเป็นโกดจะมีกี่ล้านกระเป๋าเดียวสิบ0้าห้าสิบสิบสี่สี่สิบสี่สิบห้าสี่รอห้าสิบล้าน ใช่ไหมออนางวิสาขาสร้างทางนั่นทางทิศตะตกเฉียงเหนือนั่นกระเป๋าเดียวยี่สิเก้าปูดนางวิสาขา เ, ออเดี๋ยวพวกเราเรอะไรกันจะตายอันนี้ประเด้เรียกอะไรหรอกไงมีก็สร้างไม่มีก็ไม่สร้างไม่ได้จัดงานขึ้นในวัดในว่าเรื่องอะไรๆเขียนหมดได้ในเรื่องของหลวงปู่มั่นน่ะเรื่องที่ยังไม่เขียนน่ะไม่ค่อยจะมี นั่นเพียงยุคบ้านนองผือท่านท่านเนิร์ยุคอื่นเราไม่รับรองเพราะเราไมา่ได้อยู่ด้วยยุคบ้านนองหือยุคสุดท้ายขององค์ท่าน2 0 8 9 9 9 9 1 9 2ท่านไปอยู่2 0 8 8ท่านไปอยู่ปีหนึ่งแล้วเราจงไป